วางจากส่วนเกินคิดเท่าที่ต้องคิดคิดเกินกว่าที่ต้องคิดจะคิดไม่เป็นเรื่องพูดเท่าที่น่าพูดพูดเกินกว่าที่น่าพูดจะพูดไม่งามพร้อมทำเท่าที่ทำได้ทำเกินกว่าที่ทำได้จะไม่ได้ทำ มีเท่าที่ควรมีมีเกินกว่าที่ควรมีจะเหมือนไม่มีสักอย่างดีเท่าที่พอดีดีเกินกว่าที่พอดีจะไม่ดีพอรู้เท่าที่ควรรู้รู้เกินกว่าที่ควรรู้จะไม่รู้จริงคนเราทนแบกส่วนเกิน หลงเพลินนึกว่าแบกส่วนดีไหนจะอมทุกข์เพราะแบกส่วนเก่าแถมต้องเร่าร้อนเพราะอยากเพิ่มส่วนใหม่คนมีส่วนเกินล้นหัวแม้ให้พินิษลมหายใจสายเดียวก็ใครอยากเพิ่มของแถมไหนจะดิ้นรนอยากรู้ชัดเกินจริงไหนจะเพียรหาความสงบเกินเหตุ ไหนจะคขว่คว้ามักผลเกินตัวคนไม่มีส่วนเกินอยู่ในหัวแม้เหลือเพียงลมหายใจเข้าออกก็เหมือนชักรอกเชือกทองเส้นยาวลำคาหน้าพิษสมัยกว่าแท่งทองกองภูเขาพออยู่แค่รู้ดูอยู่แค่นั้น คนไม่มีส่วนเกินอยู่ในหัวแม้ใจป่วนปันก็ไม่หันหนีไม่ต่อยตีกับความฟุ้งซ่านแต่พอใจกระทั่งความมีสติรู้รู้ว่าตนฟุง้งจึงไม่ยุ่งยากลำบากนานพออยู่แค่รู้ดูอยู่แค่นั้น